ท่านประโยคาววจารทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่ยี่สิเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้า้อยสามสิบเอ็ดเป็นวันบันทึกเสียงตอนนี้การบันทึกเสียงที่ไม่เป็นไปตามลำดับคือไม่เป็นทุกวันเพราะร่างกายไม่ดีวันนี้จะพูดเรื่องจารคานุสติกรมฐานกับเทวตานุสีกมฐาน กรรมฐานื่้งสองนี้เป็นอนุสติได้ตามนึกถึงแต่ก็ก่อนที่จะพูดถึงเทวตานุสติก็ดีพระจาคานุสติก็ดีของดไว้ก่อนขอซักซ้องกัมมันดาเพื่อนพิสุสมันเนินอุบาสกอุบาสิกาเว่าสิ่งที่มีความจำเป็นสาหรับพวกเราทั้งหลายที่ต้องปฏิบัติ นั่นก็คือนิวรณห้าประการต้องหาทางระงับเวลานี้ทุกคนให้ระงับนิวรณห้าประการที่โชคราวถ้ามีงานการที่เพึงทำอยู่วางชนิดหนึ่งช่วเวลาครึ่งชั่วโมงคงไม่เสียหายมากสำหรับการงานพยายามเริ่มทำจิตชนะนิวรณห้าประการ ที่วนห้าประการก็คือหนึ่งกรารมาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสำหรับสัมผัสระหว่างเพศ <c oughs> แล้วก็สองความโกรธความเหียบาตความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ความเหยียบาัตรจะให้มี <c oughs> สามความง่วง สีอรมณ์พุ่งสัน้นนอกนืยจากสิ่งที่เราต้องการถ้า <c oughs> สงสัยในผลการปฏิบัติจะสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดนี้เวลานี้ยับยังไม่ก่อนอย่าให้จิตเป็นท่ายคนทีวอ์มากเกินไปถ้าจิตเป็นท่ายคนิีวอ์เป็นปกติ ที่ไปของพวกเราก็คื อ, อบายภูมิคําว่าบายภูมิไม่มีใครต้องการฉะนั้นเรื่องนิวรนี้ต้องพยายามระ ง, งับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเจ้าบาสุบาสิกา <c oughs> บางคราวระ ง, งับไปไหวมันเข้ามาครอบงำจิตก็จงบังคับให้อยู่แค่จิตอย่าให้มันไหลมาถึงวาจาอย่าให้ไหลถึงกาย รวมเรียกว่าน้ําขุ่นอยู่ข้างในน้นําใสอยู่ข้างนอกอย่างนี้พอใช้ได้และเมื่อกักขังบริเวณนิวรณ์อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่นิวรณ์ก็บมดกาลังนี่เป็นประการแรกให้ทําตามนี้นะแล้วก็รายการที่สองกรรมบวชสิทกรรมบวชสิทธิเกษินห้าราการนี้มีความสําคัญมาก ยเพพาะอย่างยิ่งตามที่สังเกตมาบางทีเป็นพระบทในพระพุทธศาสนาห่มผ้าเหลืองที่เรียกว่าผ้ากาสาวพัต์แล้วก็กลนหัวกลนคิ้วอยู่ในวัดเป็นสถานที่เขาบูชาแต่วจริยาของท่านไม่มีสินห้าไม่มีกำหนดศิษ์ อย่างนี้เร็วกว่าคารวะที่เขาดีคารวะที่เขาทรงศินห้ามีทรงกำหดสิบมีพระจะถือว่ามีศินสองรอยี่สิบเจ็ดถ้าสินห้าไม่มีสินกำหนดสิบไม่มีศิสองร้อยี่สิบเจ็ดมันก็ไม่มีมันมีไม่ได้เพราะสินน้อยมีไม่ได้สินใหญ่ก็มีไม่ได้ จะเพระกำหมดสิบก็กย้อย้ำไปนิดหนึ่งว่าหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมก็แลก็ส่วนเขาสินห้าแถมมาหน่อยหนึ่งเพราะนอนั้นเหมือนกันคือไม่ดื่มสรารละเมอไรที่ทางกายทางวาจาคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบ สามไม่นินทาชาว บ, บ้านคือทำให้เขาแตกราวกันสไม่ยุโยงส่งสี่ไม่พูดวาจาเร็วไหลไร้ประโยชน์ที่ทางทางวาจาทางใจต้องคิดวันหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครที่เขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็สองความโกรธอาจจะมีแต่าหายเร็ว ไม่จองล่างจองผันไม่พยาบายใครแล้วก็สามมีความเห็นถูกคือหมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนของสมเด็จโตสัมมาทิพทธเจ้าไครควรด้วยปัญญาและปฏิบัติตามนั้นไม่ฝ่าฝืนถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสผิดก็จงศึกอบอจากสานักของสองเทียเพว่าสานักของสอง เป็นสำนักของพระพุทธเจา้าสิ่งที่เราจะย้ำกันและก็ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนพระ ก, ก็ดีเนก็ดีวาสุปวติกาก็ตามให้ยึดถืออนุสติอย่างนี้เป็นปกติอนุสติเท่าสิบนี่ต้องถือว่าเป็นวิ น, นัยจะต้องปฏิบัติประจำเพราะว่าสำนักนี้เป็นสำนักปฏิบัติ ไม่ใช่มันจะมาบวชเพื่อเป็นพิธีกรรมหรือบวชกันเข้าว่ามานบวชอันนี้ไม่ถูกต้องญาติโยมที่อยู่ในสนักนี้ก็เหมือนกันแกสักจะว่าทิ้งบ้านมาไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติความดีอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันอนุสติที่เพิ่งใช้ก็ขอย่าวันหนึ่งระงับนิวรณ์สองอนาปาอนุสติเวลานี้ฟังนี่เริ่มจับลมหายใจเข้าออก แล้วก็สามมรณ า, านุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ต่อไปนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงศีลที่เราจะพึงปฏิบัตินึกถึงพระนิพพานทั้งหมดนี้ถ้าเพียงเท่านี้ทุกคนจะไม่ลงอบายภูมิบาปเก่าทั้งหมดที่ปฏิบัติมาแล้วที่ทํามาแล้ว จะไม่มีปโอกาศให้ผลเราตายจากความเป็นคนจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตประสุรกาย เ, เป็นสนเศษชานอย่างต่ำเราเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็มีหวังก้าวเข้าสู่พระนิพพานตอนต้นตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องจารคานุสติกรรมฐ า, าน ก็จะขอแนะนำแต่เพียง ย, ยอดๆจะคานุสติแปลว่านึกถึงภายการบริจาคตัวนี้ก็เป็นตัวมหากุศสนเหมือนกันเป็นอนุสติที่มีความสำคัญคือเป็นอนุสติที่ตัดโลภความโลภ อย่างนี้องคุณเขาว่าโสดาบันอสิทธาคา ม, มีก็มีอนุสตินี้เป็นประจำเพราะจะเห็นว่านาเวิสาขาก็ดีถ้านาวินิกาเศรษฐีก็ดีหรือว่าทุกท่านที่เป็นระโสดาบันจะมีทางการบริจาคเป็นปกติเพราะว่าทางการบริจาคเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภวิธีปฏิบัติเอาง่ายๆที่แล้วมาพูดยาวไปเลยต้องลบทิ้ง นั่นก็คือนึกว่าเราจะให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยการใช้ปัญญาอาศัยปัญญาบา ร, รมีเป็นพื้นฐานบา ร, รมีสิบนี่เราต้องปฏิบัติจะให้ครบนะอย่าลืมว่าทุกองค์แลทุกท่านให้เขียนบา ร, รมีสิบไว้ข้างหินนอนตื่นขึ้นเช้า เอาตามมองบารมีสิบว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะพยายามปฏิบัติบารมีสิบให้ครบทนบริบูรณ์จะไม่มีการบกพร่องแล้วก็เขียนสังโยชนสิบไว้ข้างที่นอนสังโยชนสิบเราก็เลือกปฏิบัติตัดสังโยชนสามก่อนเพื่อเป็นการพ้นอบายภูมิสำหรับบารมีสิบก็คือหนึ่งทานบารมี สองสินนบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหก ข, ขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมี9ก้าเมตตาบารมีสิบอุเบคาบารมีอย่างนี้เขียนไว้ข้นขานินอนลืมตาขึ้นมาแ ล, ล้วก็อ่าน อย่าไปนึกว่าท่องจำได้อ่านแล้วก็คิดว่าในสิบบารมีนี่เราจะปฏิบัติให้ครบถ้ว น, นกว่อจะหลับก่อนจะหลับก็มาทบทวนใหม่ว่าวันนี้ระบอกท่องในบารมีอะไรบ้างแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเื่อกรรมฐานถ้ามีพรมีหารสี่เป็นพื้นฐานมาจำใจ จะลืมว่าทานะบา ร, รมีก็ดีนบา ร, รมีทั้งหมดก็ตามสิงก็ตามสมาธิก็ตามมิปัสนาญาณก็ตามจะครบทุนบริบูรณ์ทุกอง์ทุกเวลาพอมีหารสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรู้สึกรักคนรักสัตว์ว่าแล้วก็มีความรักเสมอเรา ไม่คิดเป็นศัตรูกับใครสองกรุณามีความสงสารเห็นคนหรือเห็นสัตว์ก็ตั้งใจสงสารคิดว่าเขากับเราต้องการความสุขหรือความทุกข์ชั้นใดถ้าเขามีทุกข์ไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยเบ้อกสา ม, มุตุตามีจิตอ่อนโยน ไม่ชา้าที่เสียไข่คนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยถ้าพยายามปฏิบัติความดีตามเขาแล้วก็สียอุเบกขาความบางเฉยถ้ า, ากดคุ้นกรรมใดๆเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในเมื่อไม่สามารถจะช่วยได้เราจะวางเฉยไม่ซ้ำเติมอารมณ์สียบริการนี้ต้องไปจำใจทุกลมให้ใจเข้าออกไม่ใช่เลือกเวลานะ ไม่ใช่จะมาทำกันเฉพาะเวลานี้มันช่มานั่งนึกต้องประจําใจแล้วก็ทําไปปกติถ้าทุกองค์หรือทุกท่านที่ฟังปฏิบัติตามนี้ขอยือนยันว่ากรรมฐานสี่สิวิบัตนายานเก้าอยู่ในกระเป๋าของท่านแน่หรือว่าไม่หายไปไหนสิงก็ดีไทยก็ดีสมาธิก็ตามฌานสมาบัติ เฮ้ยบสนายางก็ตามการตัดสัญญาก็ตามเป็นของไม่ยากนี่เราก็มาพูดกันถึงทันอาจากคาจาราุสติการนึกก็จะสงเคราะห์การนึกว่าจะให้คำว่านึกว่าจะให้นี่ก็ยังไม่ได้ให้แต่ใจมีความรู้สึกเป็นปกติ ว่าผู้ใดบ้างหนอที่มีความทุกข์ในโลกนี้จะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีถ้าเขามีความทุกข์อยู่ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราพร้อมที่จะช่วยทันทีทันใดจิต ค, คิดจะให้มีอยู่อย่างนี้เรียกว่าจานุสติถ้ารมคิดมีอยู่ ไม่ว่างไม่เว้นคําว่าไม่ว่างไม่เว้นเปนหมายความเวลาคิดอย่างอื่นแล้วก็คิดเวลาทํางานแล้วก็คิดเรื่องงานเวลาพูดกันแล้วก็คิดเรื่องพูดแต่ถ้าอารมณ์ว่างและขณะพูดอยู่ทํางานอยู่เห็นคนและสัตว์มีทุกข์จิตเริ่มทุกขทรานในภพนิพพานวหารสี่แล้วก็ตั้งใจคิดว่าเราจะสงเคราะห์ถ้ามาเอิญสงเคราะห์ไม่ได้ ก็ตั้งใจไว้ก่อนเพราะถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะสงเคราะห์อย่างนี้ถือว่ามีชาณาจารคานุติกรมทานขอพูดถอานิสงส์ในการสงเคราะห์สักนิดหนึ่งอานิสงส์ในการสงเคราะห์จิตคิดจะให้และจิตมีครามวิหารสีขอยกยกเนไว้เอาเฉพาะอานิสงส์ในการสงเคราะห์ในการให้ เมื่อตั้งใจจะให้โอกาสมีเราก็ให้ขณะใ ด, ดที่ให้เวลานั้นเป็นทานบารมีตอนนี้หันก็มาโมหดเึืงทานบารมีกันก่อนทานบารมีถ้าอยาเต็มเขาทำอย่างไงเขาก็ทําอย่างนี้คือจิตคิดจะให้ไมีอยู่เป็นปกติจิตคิดอยากจะโกงเขาอยากจะลักอยากจะขโม ย, อ ย, อ, ยอย่ากจะต้นยื่อแย่งคดโกงไม่มีในเรา มีเมตตาความรักกุณาความโสงสารประจําใจต้องการอยากจะให้มีอยู่แล้วโอกาสที่เพิ่งให้มีขึ้นก็ให้ทันทีทันใดขณะที่ให้จิตใจหวังอย่างอื่นไม่มีอย่างผู้รับเป็นผู้หญิงผู้ให้ก็ไม่คิดอยากจะได้เข้ามาเป็นปัญญา <c oughs> อยากผู้รับเป็นขอโทษอย่างผู้รับเป็นผู้หญิง ถ้าผู้ให้เป็นผู้ชายก็ไม่คิดอยากจะรับผู้นั้นมาเป็นพัรยาถ้าผู้ให้เป็นผู้หญิงผู้รับเป็นผู้ชายก็ไม่คิดอยากจะได้เข้ามาเป็นสามีแค่ประการที่สองไม่อยากจะฆ่าไม่อยากจะทำร้ายเขาเพราเราสงสารแล้วก็ถ้าเขามีคนรักแล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะยื้อแย่งคนรักของเขาเราไม่กล่าววาจาหลอกลวง ก็ให้เพื่ออะไรให้เพื่อความดีทที่แท้ต้องการผลประโยชน์เราไม่คิดอย่างนั้นกร็รวมความเวลาให้เราก็ไม่เมาถ้าท่นในการให้ของเราจริงๆไม่กรอบไว้สินคอบทวนต่นเมื่อกิจคิดจะให้แล้วก็ให้อยู่ชื่อวเต็มรูปของทานบรมีถ้าเป็นอย่างนี้เอวท า, านบรมีเต็ม พอพูดสันส้นๆ่าทธานบารมีเต็มก็คือหนึ่งคิดจิคิดอยากจะให้เดยเมตตาทุกคนด้วยโการนาเตือได้กังความรักต่อความสงสาร <c oughs> ขณะที่ให้ก็ให้ตั้งใจเพื่อทุกข์ไม่หวังผลตอบแทนติดหวังอย่างเดียวคือทำเพื่อ น, นิพพานเพ <c oughs> ียงแค่นี้บรรดาทรรพุทธบริษัททานบารมีของแท่านครบถ้วน รวมความว่าจิตขณะที่คิดจะให้อยู่เป็นฌานในจารคานุสติกรมฐานถ้าจะถามว่าย่อไม่ได้นั่งหลับตานี่ก็ต้องขอตอบว่าการหลับตามันจะหมายถึงฌานฌานคือมีอารมณ์ชินคิดจะสงเคราะห์นี่คือฌานไม่ต้องหลับตาขณะที่คิดไม่ถือว่าขณะใดที่ทราบข่าวว่าคนมีทุกข์สัตว์มีทุกข์ จิตมันก็คิดทันทีว่าอยากจะสงเคราะห์ถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าทุกท่านมีฌานในานขานุกติกรมฐานต่อไปก็เหลือเวลารวบกร้คมหาเทวตานุสติจะได้จบทันทียังเหลือกายา น, นุปัสสนาอีกนะเมเทวตานุสติแปลว่า น, นึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ แต่ตามศัพท์แต่ความจริงนึกเท่านี้ไม่พอจะต้องทราบว่าเทวดานุสตินึกถึงเทวดานึกถึงตรงไหนกันเขาต้องนึกถึงคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดาไม่ใยนึกถึงตัวเทวดาอย่างเดียวแล้วก็มาเน่าสังเกตดูเทวดากับคนดีว่ากันตรงไหน บางท่านบางคนไปเหยียดยมำภูมิเทวดาบ้างลุกเทวดาบ้างไปยอมรับนับถือแค่อากาศเทวดาอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเทคําว่าเทวดาเนี่ยท่านแปลว่าประเสริฐอปเทวดาก็เป็นสุดาประเสริฐลุกเทวดาก็เป็นผู้ประเสริฐอากาศเทวดาก็แปลว่าผู้ประเสริฐ ชมเขาแปวลว่าประเสริฐเหมือนกันพระอริยเจ้าที่เข้านิพพานที่เรียกวิสุทธิเทพอย่างพระวิสุทธิเทพมีนคนสงสัยว่าเป็นพระปางไหนที่เป็นลูปเทวดาแต่ความจริงไม่ใช่นั่นหมายถึงพระอระหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วเขาเรียกวิสุทธิเทพเป็นเทวดาผู้มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีความชั่วจิดเหลือ การเจริญเทวตานุสติถ้าเกิดนึกถึงความดีที่ทําบุคคลในวิถีวดาความดีที่ทําบุคคลในวิเีวดาก็มีอะไรบ้างมีสองอย่างคือหนึ่งฮีริสองโอตตะ ป, ปะฮีริด้วยความละอายกับบาปโอตตะ ป, ปะเกรงครัวผลของความบาปผลของบาปจะให้ผลมีความทุกข์ ผู้พูดภาษาไทยๆก็เรียกว่าอายบาปกลัวบาปอายคำว่าอายี่ไม่เรื่องสถานที่จะทําบาปต่อหน้าคนก็อายจะทําบาปต่อหน้าสัตว์ก็อายจะทําบาปที่ที่รับรีก็อายอายใครอายเราจะบอกว่าอายผีสารเทวดาเราอาจจะไม่เห็นผีสารเทวดาอายตัวเราว่ามันเลว คำว่บาปที่เขาแปลว่าชั่วความชั่วก็ดูเสียงใดที่ฝ่าฝืนกรรมบวชสิทธิสิ่งนั้นทั้งหมดชั่วหมดกรรมบวชสิทเป็นของดีสิ่งที่ตรงข้ากมกับกรรมบวก็คือความชั่วดูตรงนั้นนะไม่ต้อธิบายไม่เยินเยอฟังยากทีนี้เราดูเทว ด, ดาแล้วก็ดูติหินโลตัปะ ท่านที่เป็นเทวดาใ น, นสมัยที่มีชีวิตในตอนก่อนๆ น, นานๆท่านอาจจะเผลอไม่ปฏิบัติไม่มีหิโหลตะปะอาจจะกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ชีวิตขโมยเข้าของใครผุดปดมดเท็จเป็นชู้โลกเขาเมียใครผัวเขายังนี้ก็ทำได้ท่านทำมาแล้วแต่ว่าพอเวลาใกล้จะตาย ในช่วงนั้นจิตอเอกคิดเห็นว่าสิ่งที่ทํานี้เ ป, นเป็นเป็นความชัว่วรู้สึกสงสารตัวเองอายตัวเองว่ามันชั่วมากเสร็จแล้วก็รวบรวมใจสร้างความดีไปศึกษาว่าสิ่งใดที่มันชั่วบ้างฝืนสินและเมิดอสินห้าก็ดีแล้วเมื่อสินไปก็ตามแล้วเมื่อกรรมวิสธ ก, ก็ตามมันชัว่ว ผูต่างกำลังของคนคนถ้ายัางกินข้าวเมากินกินข้าวกินปลามีพร ะ, ะมีพัญญาก็แค่สินห้าหรือกําบทสิบถ้าอยู่วัดอยู่วาระสาวบุ 8, ตรสุจตสินปดนพระอรหัาต์วัดพระกับเนรนี่ต่อสินสิบก็สองยยีลดไม่ได้ลดไม่ได้แต่บางเอื่นปฏิบัติในสินห้าหรือกมบทสิบไม่ครบถ้วนเขา เรียว่าเถนเถ็นตัวนี้ใช้นอนหนงสะกดแปลหัวขโมยขโมยเพศพระเข้ามามาอยู่ในเพศพระแต่ถือว่าตัวเองไม่เหยีบพระใจไม่เหยีบพระตัวแต่งกายเป็นพระแต่ความมีการปฏิบัติมัเนเปรตหรือสัจจิจฐานไม่อายความชัว่วก็รวมความว่า มีหีเิโลตปาของเทวดาเนี่มีความสําคัญเรามองท่านว่าท่านมีหีเิโลตะปะปฏิบัติความดีได้น้อยก็เป็นภูมิเทวดาเนีมากนิดก็เป็นลุคเทวดาเนีมากขึ้นไปแต่อันดับก็เป็นอากาศเทวดาตามชั้นกลัวความเทวดาแต่ละชั้นท่านมีอายความชั่วเป็งกลัวผลความชั่วเป็นความดีของท่าน เราหันมาตอนนี้แล้วก็ดูท่านว่าเทวดาะไม่แก่ไม่ป่วยร่างกายไม่สุดโสรมไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีอะไรทั้งหมดเกิดวันแรกมีรูปร่างหน้าตา ย, ยัางไงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทวดามีความปรารถนาสมหวังของท่านทุกอย่างได้ไง่ายๆ อยากได้อะไรก็ได้ง่ายๆไม่ยากไม่ต้องทุนให้เหนยก็ถือว่าการเป็นเทวดาตั้งแต่คุมเทียข้าวสารขึ้ไปเป็นความดีเราก็คิดว่าถ้าเรายังถึงนิพพานไม่ได้เราก็ต้องการเป็นเทวดาชั้นไหนก็เอาแล้วก็กลับมาปฏิบัติเหมือนท่านคือมีหิริอายาบาปอายชั่ว โอตะปะเคยยังกลัวผลความชั่วไม่ทําความชั่วทุกอย่างในเมื่อไม่ทําความชั่วทุกอย่างนี้ผลจะมีอะไรว่าเรามีสิบปีข้ามมาครบพุ่มบริบูรณ์ถ้าไม่ทําความชั่วไม่อยากจะคิดลักขโมยของไข่ก็มีทานบารมีสมบูรณ์แบบถ้าไม่ทําความชั่วไม่ยึดคิดใจจะข้ามไม่คิดลักไม่คิดขโมย ก็มีสินบรมีเต็มแบบถ้าไม่อยากจะทาความชั่วไม่ละเมิดการมารุมก็มีเดชธรรมบรมีเต็มครบคนที่ไม่อยากทำความชั่วคือเป็นคนยาลายก็มีปัญญาบารมีคนที่ไม่ทำความชั่วต้องฝืนที่จิตไม่อยากจะชั่วไม่ทำความชั่วก็มีวิทยบรมีครบทนคนที่มีความอดใจคิดถึงความชั่วดีมีมา ก, ก่อน แต่มาเอ่ยมาตอนนี้เพราความชั่วไม่ดีอดใจไม่ทําความชั่วก็เชื่อมีคติบารมีครบถ้วนต่อไปตั้งใจว่าจะไม่ทําความชั่วแต่จิตเผลอว่าอาจจะมีบ้างอาจจะคิดว่าบางทีความชั่วก็ดีแต่สามารถอดใจไว้ได้สามารถสรงอารมณ์ไม่ได้เชื่อเป็นสัจจะบารมีแล้วก็เมื่อตั้งใจไม่ทําความชั่วจริงทรงไว้ได้แน่นอนไม่แข็งแกรน ไม่โยกโยกก็ถือว่าเป็นอธิฐานบารมีและการที่ไม่ทำความชั่วทั้งหมดมีสินห้าได้มีกรรมบทสิบได้มีทานได้เป็นต้นอย่างนี้ก็ถือเป็นเมตตาบารมีการระงับความชั่วด้วยดีจิตไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาบารมีกรองความว่า ฮี ร, ริเราตาปาสัมไรการถ้าเรามีในใจบา ร, รมีเท่าสิบไ ร, รการก็ครบถ้วนในเมื่อมีบา ร, รมีสิบรรการครบถ้วนท่านต้องการอะไรต้องการเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนได้ทุกชั้นต้องการเกิดเป็นพรหมชั้นไหนได้ทุกชั้นถ้ามีกำลังใจเข้มขน้นต้องการเกิดในนิพพานต้องการมาิผ่านได้ทันที อันนี้เป็นความดีของหี้ยที่เราอุตตรปาที่เรียกว่าความดีของเทวตานุสติกรรมฐานรวมความว่าบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ถึงเวลานาทีเสร็จก็ขอสรุปว่าทุกวันเมตื่นขึ้นมาหนึ่งพยายามระ ง, งับนิวรณ์สองนึกถึงความตายสามนึกถึงพระพุทธเจ้าสี่นึกถึงว่าธรรม 5. ้านึกถึงพระอาเดียสงงห 6. นึกถึงศีลในสิกขาบทที่เราปฏิบัติเจนึกถึงทางการบริจาค 8. ปดนึกถึงความดีของเทวดาเก้ารู้ลมให้ใจขอออกขาดอีกอันหนึ่งอนุสติคือกายะตาอนุสติกายะตานุส ต, ต, ติจะพูดในตอนที่สองจากนี้ไปอรบันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการก็ใกล้เข้ามาทตที เวลานี้เหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอยุติประเเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาเถ้พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี